สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉัทัเเพนสีอินทรทัศน์ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุ FM ธรรมมงคล 92.75 เมกะเฮิร์เริ่มตั้งแต่เวลา12นาิกาถึง13นาฬกาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยวิปัสสนาในา เล่มสองแปลและเรียบเรียงโดยพระคันทสาราพิวงโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังวิปัสสนาในค่ะ